ได่ยินหลวงพ่อพูดเป็นจริงเป็นจังพวกเราก็คงอยากจะฟังว่าหลวงพ่อพูดอะไรหลวงพ่อพูดเรื่องงานหลวงตาที่จะถึงวันที่สิบสองสิงหาเมื่อวานหลวงพ่อเข้าไปไประชุมที่สร ะ, ะกลางจังหวัดท่านผู้ว่ายกเรื่องขึ้นมาวันเปิดโลกธาตุวันนั้นม่ไดกเตรียมพร้อมไม่คาดคิดว่าคนจะมากแต่พอคนมันมามาก มืดฟ้าโมดินหาที่จะจอดรถไม่ได้เหมือนกับตอกลิ่มอยงัน้นเถอะออรดคันไหนหัวเสียบเข้าไปในถนนผลในิสูตก็เลยอัดกันแน่นเลยทีนี้ไม่รู้คันไหนจะถอยให้คันไหนคันนี้จะถอยมาก็เจอคันหลังคันหลังก็ถอยมาก็เจอคันหลังคันที่ชนมาข้างหน้าก็เจอคันหลังอีกผลในิสูตก็เลยอัดกันเลยขยับก็ยื่นไม่ได้ กว่าจะขยับขยือนได้เกือบทั้งวันวนะันนั้นก่อนขั้นหลังจะถอยหลังออกให้ได้อันนั้นก็คืออันหนึง่งว่างานของหลวงปู่เพียรอีกที่ว่าไม่ให้มันช้ำลอยวันที่สามสิบของเดือนตุลาผลที่สุ็เอาแบบอีรอบเก่าอีกคนมันมากแต่ว่าการจราจรการวางแผนไม่ดีสรุปแล้วขาดการวางแผนสรุปแบบง่าย ถ้าวางแผนดีเนี่ยคงจะไม่ไม่ลักษณะอย่างนั้นขาดการวางแผนแต่คราวนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็เลยเมื่อวานก็เลยวางแผนอย่างมากๆเลยทั้งตำรวจทั้งโยธาทั้งถนนทั้งอปตอทั้งใครต่อใครทั้งฝ่ายพระสงฆ์ให้ให้เขาประสานกันเกัได้ให้ประสานกันเวลาคนมา พระสงฆ์มาก็ต้องมีพระสงฆ์ออกไปรับต้องมีพระสงฆ์อยู่ในกลุ่มของตำรวจด้วยเวลารถมาเนี่ยตำรวจไม่รู้ว่าเป็นใครเห็นแต่ลงปู่ลงตามากับพักออกไปที่อื่นแต่งที่เป็นมหาเถระที่คู่คนรู้จักมากมายทั่วประเทศเตำรวจเล็กๆน้อยตำรวจน้อยกับพักไล่หนีออกเข้าป่าลูกศิษย์ลูกหาเลย ดูถูกระบานเลยไม่รู้จักครูบาอาจารย์ไม่รู้จักสูงจักต่ำอะไรท่านเนี่ยเหมือนกับเราเนี่ยเออเอานายกถึงจะมานะแต่พอมาถึงพอมาเข้างานแล้วเราไม่ให้เข้างานตำรวจไม่ให้เข้างานเพราะเหตุอะไรเพราะไม่รู้จักนายกเนี่ยสมมติว่านะลักษณะอย่างนั้น่ะคนทั้งหลายก็ต้องตำหนิว่าโอ้ตำรวจทําไมไม่ศึกษาทําไมจึงไม่เตรียมพร้อมทําไมไม่ ทำขนาดนั้นอันนี้แหละคือลักษณะอย่างนั้นแหละแต่ทีนี้เราก็เลยมีทั้งตำรวจด้วยมีทั้งพระด้วยยืนอยู่เคียงคู่กันเวลาครูบาอาจารย์มาพระก็จะได้รู้ว่าเอออันนี้พระอาจารย์องค์นั้นองนี้นะเอาเข้าไปได้อถ้าหลวงพ่อหลวงตามาเออเอาองนี้นะเข้าไปไม่ได้อย่างนี้แหละคือให้รู้กันนะ นี่หละการเป็นอยู่โลกวัตะสงสารมันต้องทำให้ถูกโลกสมมติเขาแต่บางองค์ก็ย่างว่าเหมือนกันบางองค์ก็อย่างว่ า, า, งง า, วาขี่เบ่งอีกต่างหากขี่อวดขี่เ บ, งบง่ง่างั้นกันฟังฟังดูแล้วก็คำขำเลยตลกตลกคำขำแต่มันํำไม่ออก่างั้นกันสมัยหลวงปูล่ลา หลวงพ่อไปอยู่ที่นั่นให้เป็นแม่งานที่นั่นเหมือนนเถเขาก็พูดให้ฟังเขาจะมีเสลียงเสลียงหามพระเหมั้นนเะใค้ว่าครูบาอาจารย์ที่มีอายุพันษามากมีอายุมากเดินขึ้นไม่ไหวแต่อยากขึ้นไปกราบศพหลวงปู่ล่าพราถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาพอมาถึงแล้วเอาเป็นใคร อย่างองลงตาไปนั่นก่อนนั่นต้องหามขึ้นละ่ะเดินขึ้นไม่ไหวแล้วมันเป็นภูจะ ก, ก้มันสูงเน๊แล้วองค์อื่นอีกละ่ะที่มีอายุพรรษามองดูแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์เอาพระก็หามขึ้นอีกโดยมากพระที่หามขึ้นนี่ยก็จะเอาแต่พระน้อยพระหนุ่มก็กลัวจะไม่รู้จักขนบธรรมเนียมอีกก็เอาพวกครูบาอาจารย์ที่มีอายุพรรษาสิบกว่าขึ้นไปวะ่ะสิบสิ บ, สบห้าพรรษานี่ 15, สิบสิบห้าพันษายี่สพันษาเนี่ยอายุาประมาณสักสาสิบกว่าสี่สิบเทนั้นแหะท่านยังไงท่านยังแข็งแรงอยู่เป็นผู้ดูแต่ได้มีพระองค์หนึ่งมาเท่าไเนี่ยมีพระองค์หนึ่งมาก็โอ้ท่าทางหัวล้านเหมือนกันแต่เป็ น, นอ้วนเอามากับมากับพูดโอ้ยผมเคยอยู่กับหลวงปอลาเนี่ยเคยอยู่ด้วยกันบ้านน้องผือ อยู่กับหลวงสมัยนะั้นหลวงปู่มั่นเอ้ยรู้จักมักคุ้นกันดีพวกพระก็ถือว่าโอ้โองค์นี้ก็คงจะเป็นพระผู้ใหญ่มั่งก็ไม่ได้ถามพรรษาช่เพราะนั่นสืออ้าวหลวงปู่จะขึ้นจะทำยังไงครับผมจะขึ้นไปกราบหลว ง, ลงปู่ลาบไแล้วเหมอนหลวงปู่หลวงพ่อลาบนะอยย่พรรษาก็คู่ขีกันห่างกันก็คงจะห่างไม่มากเหมืันนเออ จะขึ้นไหวมาล่ะลุงปูโอ้ยไม่ไหวแล้วแค่จะให้ดึงขึ้นสูงขนาดเนี้ยเอาถามนะโปเออขึ้นไปขึ้นเฉลียงเนะี่ยพอขึ้นเฉลียงเสร็จเรียบร้อยก็ถามไปลุงปูมาอย่างไงไปยังไงเขาก็หามไปตามทางนะเลยผลที่สุดสมัยอยู่กับลุงปูมั่นนุ๊กลุงปู่ล่เกียงอยู่แต่ตอนนี้เพาะได้ 15, 3, สิบห้าพรรษาเพิงศึกกว่างั้นเลย ศึกมาบวชเพื่งมาบวชได้ห้าห้าพันษาได้สี่พันษานี่ยห้าพันษานี่นะเพื่งมาบวชแต่พวกพระที่หามเนี่ยสกว่าพันสาบาทเกือบ20สพันสากว่ามีเอาทมว้าว้าว่าถ้าจะโยนทิ้งนี่ก็ยังไงอยู่ที่ไหนถ้าจะหามขึ้นไปก็ยังไงอยู่ที่ก็อักกระอ่วลงไปถ้าจะหามจะโยนว้าว่าเอาลงนี่ล่ะก็จะจะเกินไปอย่างเงี้ย เราได้จุดกันเลยตามเลยก็เลยขามขึ้นไปถึงบนหลังเขาผูเจ้ากอันนะึหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อกันคำมันจะคำไม่ออกเหมือนกันเออโอ้พวกพระท่านก็บอกว่าท่านกัพูดเหมือนกับเป็นตุเป็นตะเหมือนกับเคยอยู่กับหลวงปู่ม่านหลวงปู่ล่าสมัยก่อนเก่าใครจคิดว่าท่านจะอยู่มาโนมนานเหมือนกันแต่ที่ไหนได้ท่านมาศึกษาที่นี่ ท่านก็ไม่บอกให้พระฟังออคูบาอายุพัรษาเท่าไหร่เนี่ยโอ้ยผมเพิ่งบวชมานะผมบวชใหม่ที่หลังอีกแต่สมัยนั้นผมเคยอยู่พูดซื่ อ, อ, อ, อตรงๆอย่างนั้นออพวกคูบาเนี่ยจะไปหามได้ยังไงใช่ไหมเพราะว่าอายุพันษาต่างกันมันผิดพวินัย เ, เว้นเสียมีน้ำใจจริงๆเจ็บไข้ได้ป่วยอีกอย่างอันนี้ก็ไม่ถึงกับเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยอยากจะมาเฉย ไม่จำเป็นถึงขนาดนั้นกราบที่ไหนก็ได้กราบตีนเขาก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องขึ้นไปกราบเพราะตัวเองแก่แล้วก็รู้จักสังขารตัวเองมันจึงจะถูกแต่นี้ไม่เป็นอย่างนั้นอยากจะขึ้นไปก็ให้ครูบาอาจารย์ที่มีอายุพรรษามากกว่าตั้งหลายเท่างั้นพอหาขึ้นไปคุยกันไปลูกปูมาจากไหนอยู่ที่ไหนบวชเมื่อไรพอรู้แล้วโอ พวกคู่บาที่หามกับจานที่หามกับไม่รู้จะทำยังไงก็เลยตำเลยขึ้นไปถึงหลังเขาขากลับมาไม่รู้ใครจะหามลงมาวะเนยไม่ได้ถามอีกว่ะขาลงค่อยยังช่วยแต่ว่าขาขึ้นเนี่คงจะทรมานพอดูงั้นแต่ขาลงนี่ยคงจะพอไหวขาลงพอไหวนี่แหละอันนี้ก็พูดเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยในวัดของเราก็หมู่วานก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลป่วย เดี๋ยวนี้ก็มีอยู่องค์หนึ่งอีกที่มีอายุพรรษาป่วยในพระวินยัยพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติวินัยท่านบอกว่าพวกท่านทั้งหลายออกมาจากสกุลออกมาจากบ้านจากเรือนมาอยู่ด้วยกันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยพวกท่านทั้งหลายต้องช่วยดูต้องเอาใจใส่ผู้ใหญ่ผู้น้อยหลวงพ่อนี่ก็ต้องเอาใจใส่พระทีมมาอาศัย และกับหมู่พระด้วยกันก็ต้องอาศัยต้องใส่ใจกันเพราะว่าต่างองค์ก็ต่างมาจากครอบครัวหลีเกเล่นออกมาเพื่อปฏิบัติธรรมบาเพ็ญภาวนาแต่ว่าพวกท่านทั้งหลายไม่ดูไม่แลกันใครจะเป็นคนมาดูมาแลพวกท่านแต่ต่างคนก็ต่างว้าวีอ้างว้างเพราะไม่มีใครดูแลไม่ได้ถ้าภิกษุใดก็ตามทอดทระ ไม่ดูแลไม่เอาใจใส่ภิกษุไข้ด้วยกันปรับอบัตทุกกฎนะปรับโทษงานเถอปรับโทษทั้งอาจารย์ด้วยปรับโทษทั้งลูกศิษย์ด้วยที่อยู่ด้วยกันไม่ใส่ใจในการดูแลเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้ก็คือพระวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติแต่นี่ก็พระพุทธเจ้าก็บัญญัติว่าภิกษุป่วยที่รักษาง่ายภิกษุป่วยที่ ผู้ดูแลปฏิบัติรักษายากคล้ายๆว่าเป็นผู้รักษายากชอบกินของสแสลงห้ามก็ไม่ฟังขี้โมโหลักษณะอย่างนั้นอ่ะแต่หลวงพ่อก็จําไม่ได้ในพระวินัยตรงนี้คือภิกษุที่รักษายากภิกษุที่รักษาง่ายรักษาง่ายคล้ายๆเพราะตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยก็ให้รู้จักสังขารตัวเองจะทํำยังไงได้ใครๆก็ไม่อยากจะให้เจ็บให้ปวดตัวเองก็เจ็บปวด แล้วจะให้หมูรักษาขนาดไหนจึงจะพอเหมาะไม่ใช่ว่าขี e ้แอมีอะไรก็ทำอะไรก็ไม่ได้มีแต่อาศัยหมูพกเพื่อนอันนั้นก็เป็นพระที่รักษายากอันไหนของที่หมูห้ามไม่ให้ฉันนั่นแหละยากฉันหมูบอกว่ายาเดินก็ยากเดินแต่สมัยดีๆจะให้เดินยะโกงขี้เกียจเดินเหงั้นกัอแต่พอเก็บใขรได้ป่วยอย่าลุกนะ หมอก็ไม่ให้ขยับขยืนนะยากลุกยักขยับแนะนี่แหละเปนว่าพระภิกษุที่รักษายากไม่เชื่อฟังภิกษุผู้อุปถากอันนี้นะคือพระวินยัยพระพุทธเจ้าบัญญัติถีท่วนนะจุดนี้ถ้าพวกเราไปอ่านไปได้ศึกษาในพระไตรปิฎกแล้วพวกเราจะเห็นความรอบครอบของหลักพระธรรมวินัยอย่างมากๆเลยและคูบายจา์พระเถระป่วยลูกศิษย์ทำยังไงถ้าวันลูกศิษย์ลกหา ป่วยครูบาอาจารย์ที่เป็นเจ้าสํานักหรือว่าผู้ดูแลเนี่ยทายังไงไอ้ น, นี่ก็คือพระวินยัยท่านบอกไว้หมดถา้าพวกเราปฏิบัติถูกตามหลักพระธรรมวินัยแล้วมีแต่ความสงบผาสุขในกลุ่มของพวกเราแต่ถ้าวาพอปฏิบัติไม่ถูกแล้วมีแต่ความเดือดร้อนมีแต่ความกินแหนงแคลงใจกันนะั่นะภาวานาไม่ลงหรือว่างั้นเถอะอย่างหลวงพ่อไปสํานักชีแห่งหนึ่ง บอกว่าพออายุมากแล้วให้พี่น้องกลับเอาขึ้นไปบ้านให้ลูกหลานเอาขึ้นไปบ้านหลวงพ่อก็เลยไปขู่ไม่ได้นะลูกหลานของเขาเขาก็อายุแก่มากแล้วแล้วก็ออกมาจากบ้านเรือนนานแล้วแม่ชีทั้งหลายต้องดูต้องช่วยดูแลกันทีเขาทีเราไม่ใช่วันจะมีแต่คนป่วยคนนั่นนะตัวเองจะไม่ป่วยอย่างนั้นใช่ม แต่พอตัวเองป่วยเขาก็จับยัดขึ้นบ้านอย่างนั้นใช่ไหมมันไม่ไปไหนนะถ้าสุเจ้าไม่ช่วยดูแลกันนะกรรมวุณีนาวัตตตีโลโกนสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่ตนได้กระทาไว้พวกสุเจ้าทำไว้ยังไงต่อไปมันก็เป็นอย่างนั้นแหละพวกสูเจ้ารักษากันไม่ได้เหรออยู่ด้วยกันทั้งหลายคนแต่งเบนจามดูแลกันรักษาไม่ได้เลยถ้ารักษาสุดความสามารถแล้วก็ตายก็ตายทำยงไงเกิดมาตาย และสู่เจ้าพอเจ็บไข้ได้ป่วยก็ผักดันให้ลูกหลานมารับขึ้นไปอพอหายแล้ยจึงค่อยเอาลงมาอย่างนั้นเหรอสู่เจ้าดูแลกันไม่ได้อย่างนั้นใช่ไหมต่อไปทุกคนในเมชีต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมสู่เจ้าจะหาความสงบผัสศุกรายยังไงถ้าสู่เจ้าคิดอย่างนั้นทําอย่างนั้นสู่เจ้าต้องมีน้าใจสู่เจ้าต้องช่วยกันดูแลมีอะไรที่จะต้องดูแลรักษาหยุกยา รักษาสุดความสามารถเลยจะทําไงได้เอาไปโรงพยาบาลเอ้าไปโรงพยาบาลเอาไปทาหม อ, ขอเขาเป่าอ้อมรักษาไม่หายเราเอากลับมามาก็รักษาสุดความสามารถแล้วกยตายทาไงเกิดมาตายสู้เจ้าจะทํำยังไงไม่ได้นะปล่อยปะ่าละเลยไม่ได้การอยู่ด้วยกันนี่แหละหลวงพ่อไปที่ไหนหลวงพ่อให้ความคิดนะให้ความคิดคนในบ้านในครอบในครัวก็เหมือนกัน คนในครอบในครัวก็ต้องวางแผนออกเหมือนกันนั่นแหลอไม่ใช่ว่าอยู่ด้วยกันมีแต่ใช้เงินอิรุยชุยแชกมีเท่าไหร่ใช้หมดทั้งพ่อบ้านแม่บ้านไม่มีเงินเก็บไว้ในครอบครัวเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วทาไงเม่ต้องคิดไว้อีกเหมือนกันครอบครัวนะเราต้องเก็บไว้นะเพื่อประกันครอบครัวนะมันไม่เหมือนฝรัง่งชาวฝรั่งอีกต่างหากลวงพ่อดิ คนทางประเทศไทยไปยุยุโรปพอลูกใหญ่ขึ้นมาอายุสิบแปดปีเนี่ยให้ออกจากบ้านแล้ไม่ให้อยู่บ้านให้สองตายายอยู่ด้วยกันลูกก็ออกไปก็ทํางานเขาก็หางานให้ทางรัฐบาลทํางานด้วยเรียนไปด้วยแต่เรียนช้านะยี่สิบกว่าเนีจริงจบปริญญาตรีได้เพราะทั้งเรียนด้วยทั้งทำงานไปด้วยไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ พอพ่ อ, พอแม่แก่เท่าชะลามาแล้วกันนู่นแหละไปอยู่กับบ้านคนชะลาบ้านแลว้วบอกความอบอุ่นในครอบครัวเนี่ยดูดูแล้วไม่มีแล้วงั้นแต่หลวงพ่อดูดูแล้วก็แต่เขาก็เคยชินมาอย่างงั้นนะเขาก็ว่าเขากว่าเออก็ดีไม่ต้องเป็นภาระกับลูกกับเต้าฮแต่ในเ ย, ยเชียของพวกเราเนี่ยลูกเต้าเราเลี้ยงมากับมือเนี่เอเราเลี้ยงมาเพื่ออะไร เลี้ยงมาแล้วเป็นการสืบทอดผูกพันสืบพันไปเป็นทอดทอดอย่างนั้นใช่ไหมไม่มีการผูกพันไม่มีน้ําจิตน้ําใจต่อกันใช่ไหมไม่มีความกตัญอูกตเวที่ตาต่อกันใช่ไหมพอเลี้ยงมาแล้วก็เป็นทายาทสืบทอดไปเท่านั้นเพื่อไม่ให้สูญพันุ์อย่างนั้นเท่านั้นใช่ไหมตามไม่จริงก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นในหลักของพระพุทธศาสนา เลี้ยงลูกขึ้นมาแล้วก็เพื่อเป็นทายาทส่วนหนึ่งแล้วก็เมื่อพ่อแม่แก่เท่ า, ทาชราลูกจะต้องได้เข้ามาช่วยดูแลกิจการครอบครัวและกิจการงานจากนั้นก็ได้ดูแลพ่อแม่ของตนเองด้วยเป็นการสืบทอดกันไปเป็นช่วงๆไปอันนี้ก็คือพระคุณในตระกูลมาเจ็ดชั่วโคตรมันน่าจะเป็นลักษณะสืบทอดบนั้นนั้ อันนี้ทางประเพณีทางยุโรปหลวงพ่อได้ฟังฟังดูแล้วก็อืและเขาไม่เก็บเงินมากอีกต่างหากท่านทำมาค้าขายยังไงเขาเก็บภาษีเก็บหมดเก็บคืนหมดเพื่อจะให้เป็นกองกลางเวลาเก็บไข้ได้ป่วยต่อไปภายภาคหน้าเท่าแก่ชราเขาจะได้เอาเงินก่อนนี่เลี้ยงคนนั้นเพราะฉนั้นคนยุโรปดูดูแล้วหาพูดที่จะรวยรวยยากเพราะภาษีเขาเก็บแพงมากนะ นี่เขาพูดให้ฟังมันวางมันก่อนฮะอันนี้ลูกพ่อได้ยินแล้วก็ได้ศึกษาเอวิชาในโลกนึงเพราะการศึกษาในโลกนั้มีมากมีมากมากหลากหลายว่างั้นเถอะกดธทำเนียมประเพณีของแต่ละกลุ่มของแต่ละประเทศของแต่ละชนชั้นของแต่ละกลุ่มเรียนไม่จบหรอกเรียนทั้งโลกมีแต่เรียนเข้ามาหาใจท่านไงใจมันคิดเรื่องอะไรแต่ละวัน ถ้าเรียนถึงจุดนี้แล้จบใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าเรื่องทั้งหลายมีใจ น, ะนะนจั่นะเป็นเจ้ากี่เจ้าการเป็นเจ้าจดเจ้าอย่างเจ้าเรื่องเจ้าเราเปลดล็อกซะปลดล็อกกิเลสออกจากใจซะนะจบว่างั้นเถอถ้ากิเลสยังใส่เกียร์ใส่น้ำมันอยู่มันไม่ยังยังไม่หมดเชื้อเพลิงมันก็จะต้องวิ่งไปในวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุด แต่ถ้าเราปลดล็อกมันซะหยุดเติมน้ํามันซะห้ามล้อมันซะผลที่ถูกขนาดใจดวงนี้มันก็หมดรู้เท่ารู้ทันรู้มันรู้ตัวรู้ปล่อยรู้วางไม่ยึดมั่นถือมั่นใจหลุดพ้นใจเห็นโทษใจเบื่อหน่ายใจคลายใจไม่ยึดมั่นถือมั่นนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายฮไม่ยึดมั่นถือมั่นนั้นนั่นแหละพ้ทุกข์ระบาดนี่ถ้ายัง หมุนเวียนอยู่อย่างอย่างอย่างเออเอามันเอามันเอามันเอามันไม่มีที่สินส้นสุดไม่รู้จะเอาใครมานมันจะเอามันเล็กมันจะเอาเราก็ไม่รู้ว่างั้นไอ้อิรันพันตูกันไปเรื่อยหลวงวัดตะสงสารไม่มีที่สิ้นสุดอ <heh S 1> ใจนี่เป็นใจเป็นนักท่องเที่ยวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่างั้ น, นใจเป็นนักท่องเที่ย ว, ตวโตยงเลยว่างั้นไอ้ออกจากชาตินี้นไปชาติหน้าออไปชาติหน้านไปชาติหน้าไปเรื่อยว่างั้นไ ม, มไม่มีที่สินส้นสุด มันท่องเที่ยวในวัฏฏะสงสารขึ้นขึ้นสูงสู ง, สงต่ำตำลุ่มลุมรอนๆไปเป็นพรหมบั่งมาเป็นเท ว, วดาบาั่งมาเป็นมนุษย์บั่งเป็นเปรตบั่งตกนรกบั่งเป็นสัตว์ที่ัชชานาชาชนิดอย่างที่พวกเราเห็นนะไม่รู้ว่ากี่ตัวกี่อย่างแคนะมัน แ, แตกต่างกันทั้งหมดนะ่นโลกวัฏฏะสงสารนะั้นใจของเราพร้อมที่จะไปได้ทุกตัวสัตว์ทุกตัววิญญาณเหมือนันทัถ้าเราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารนะพร้อมที่จะไปได้ทุกระบบ ของสัพพสัตทั้งหลายในโลกถ้าพวกเรายังมีกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่ถ้าเราทำให้รู้แจ้งเห็นจริงนั่นแหละแต่เนี่ย เ, เบื่อหน่ายคายแล้วก็หลุดพ้นอย่างพระอรหันต์พระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกที่ท่านประพฤติปฏิบัติเพราะนั้นพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะเป็นไปได้ในหลักธรรมคำ ส, สอนของพุทธเจ้าให้ศึกษาเหมือนนเถอศึกษาแล้วเป็นไปได้พูดอย่างนั้นได้ ท่าว่าคิดเอาเฉยเฉยเล้วว่าไม่ศึกษาเลยมีแต่เดาเฉยเฉยมีแต่อ่อนอกอ่อนใจเบื่อหน่ายคลายเบื่อหน่ายไม่ใช่เบื่อหน่ายให้คลายนะเบื่อหน่ายไม่อยากจะศึกษาเบื่อหน่ายไม่อยากจะปฏิบัติธรรมเบื่อหน่ายคุณงามความดีแล้วก็เบื่อหน่ายหมดไอ้ตัวกิเลสราคะโทสะโมหะไอ้ตัวตัวชาเรลวซามทั้งหลายแหละมาลุมมาตุ่มเข้ามาหมดเหมือนกันท่าเร่อวันนี้ให้จัดจัดกันหนะ้า วันนี้จะมีการทำวัดไปหลายๆแห่งพระจะไปกี่องค์นะองค์ไหนจะไปก็คงจะไปวัดหลวงปู่บุญมีหลวงปู่เพียนท่านคูนผูดินแล้วก็คงจะมาผูนาลาวแล้วก็บ้านเพิ่มผูก้อนมั้งให้จบไปเลยนะให้ไปเพียงครั้งเดียวตอนนั้นแหละปีนี้พอเพื่อเป็นการทัศนศึกษา ทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้ว่าคารวะกูบาจารณธรรมอย่างไรวิธีกล่าวคําคารวะนั้นทํำยังไงพูดยังไงอการอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นทํำยังไงะพวกเราพขามาบวชให้ได้เรียนรู้เหมอดิอย่างลุงตาที่ท่านพูดอท่านบอกว่าการอ่อนน้อมถ่อมตอนเป็นผลดีคนเราท่าไปที่ไหนแข็งกระด้างแข็งก้าวไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ํา การพูดจาพาทีการแสดงออกไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ำไม่ดีครการอ่อนน้อมถ่อมตนเอาตัวรอดได้เออจากเราเดินเข้าไปในหมู่โจรหมู่โจรเขาจับได้เขาจะฆ่าเรานะเนี่ยเรายกมือไหว้เขาโอ้อจะฆ่าผมทอนขอชีวิตอินทชีเวะมีอะไรผมขอกาบขอคารวะขออ่อนน้อมครับเจ้านาย ขนาดมหาโจรเขาก็ยังยังใจอ่อนเพราะเหตุไรเพราะว่าเขาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตนเขาไม่สู้นะอถ้าว่าแข็งกล้าวต่อเขาเพอเขาจับได้ไมันรู้จักปัดจักมวยด่าขโมงโซงเฉ่งให้แก่เขาเน่ะเขาก็ฆ่าได้ง่ายๆเหมือนกันนะเพราะเหตุไรเพราะแข็งไม่ยอมอ่อนอนี่นะว่าการอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักสูงรู้จักต่ำ เ, เป็นทางออกของนักปราช <N un> นักปราชญ์บัณดิตทั้งหลายท่านชมเชยพวกที่รู้จักอ่อนในขณะที่ควรอ่อนแข็งในขณะที่ควรแข็งต้องใช้ปัญญาในเวลาอ่อนหรือเวลาแข็ง uh, เวลาที่เราจะอ่อนกับแข็งเสียหายเวลาเราจะแข็งกับอ่อนเสียหายไม่ใช่อ่อนอย่างเดียวก็ดีไม่ใช่นะ uh, เวลาแข็งอย่างเดียวจะดีไปเลยก็ไม่ใช่เหมือนกัน uh, มันต้องรู้จักอ่อนต้องใชร้รู้จักเวลาเหนนแ เวลาไหนควรอ่อนเวลาไหนควรแข็งบางทีเห็นไหมน้ำํำถ้าเห็นน้ําแข็งคนก็ยินดีน้ําแข็งมากกว่าน้ําอ่อนเหมือนกันแต่บางครั้งเมัดหน้าหนาวสิทีนไม่ต้องการละน้ำแข็งเ่ยต้องการน้ําอุดเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นมันต้องรู้จักการละเทสะเหมือนกันนั่นน่ะนี่เหมือนกันการวางตัวของพวกเราให้รู้จักการสถานที่บุคคลควรจะวางยังไงควรจะทํำยังไงอ่อนน้อมถ่อมตน กรเทสพ่อแม่ครูบายานอันนั้นดีนะณวันนี้เป็นวันไปคารวะเพื่อทัศนศึกษาของพระใหม่นะตอนนี้ไปรับพร อ, อนุโมนธนาให้พร